วันนี้เป็นวันแรกของการศึกษาและกาปฏิบัติเรามาร่วมกันตรงนี้พอบ๊าลุงนิดบ๊าลุนิดมาร่วมกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะที่ของจังหวัดตากซึ่งมาเคยมาเปิดรมครั้งหนึ่งที่ตัวจังหวัดตาก หลายปีแล้วเราเคยมาเข้าค่ายที่จะอะน้ำตกลานสางเมื่อ20ปีก่อนนู่นปี2537 2538้า่ว่าก็มาเปิดอบรมอยู่แถวในเมืองวัดอะไรจมาได้ล้วติดแม่น้ำปิงวัดส้มอะไรส้มจีนส้มเกลียง แถวนั้นนะเมว่าก่อนป้ามะลิคุณอะไรต่างที่อยู่แถวนั้นก็พามาเปิดต่อมาก็อีกวัดหนึ่งจำไม่ได้อันนี้เป็นครั้งที่สามที่สี่แล้วตรงนี้ทางจังหวัดตากรนะยะห่างกันมาเป็นสิบกว่าปียี่สิบปีอ่าผมกเองเป็นคนที่ ศึกษาในวิธีการขพ่เรียนมาประมาณวิกฤตปีพศ .2520 เปตุนมาสมสี่สบห้าสิบห้า5ิบแดนะยกว่าปี30สิปีแล้วก็มั่นใจว่าในวิธีการที่ได้ให้การอบรมให้การศึกษากับญาติโยมและพระเนรมาจะไม่ผิดพลาด เพราะว่าเอาตัวเองเป็นประกันเพราะว่าหลังจากทํามานี้แล้วนี่ทุกมันหมดไปเรื่อยๆเพราะทุกที่มันมีเนี่ยมันกัดกินชีวิตของเรามาเรื่อยๆทําให้เราต้องเวียนว่ายใจเกิดในนรกบ้างในเปรตบ้างในอสุรกายบ้างในเดรัจฉานบ้าง ในมนุษย์บ้างในเทวดาบ้างอินบ้างโภมบ้างวนไปเวียนมาอยู่นั่นนะจนนับชาติไม่ทวนญาติยมก็เหมือนกันนะเหมือนกันวันนี้เรามีโอกาสมาเปลี่ยนแปลงภพชาติของเราคือเราจะต้องมาตั้งต้นใหม่ชีวิตที่ตั้งต้นใหม่ได้เสมอนะเพียงแต่เราตั้งสติตั้งสมาธิตั้งปัญญา ก็ถือว่าตั้งต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าเราจะมีอายุมาก 30, 40, 50, 50 6ี่0 80ห้าหเจ็ปสิปีก็ตั้งต้นใหม่ได้เสมอเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรวัฏจักรไหนก็เป็นวงกลมหมุนไปตลอดจิตของเรามันก็หมุนไปตามอารมณ์โลภบ้าง โลภโกรธหลงเนี่ยทำให้เกิดในเปรตในสุรกายในนรกนะพอเราเป็นทุกข์จากการตกนรกบ่อยๆเป็นสัตว์บ่อยๆการตกนรกไม่ไหมายถึงว่าตายไปแล้วไปเกิดหมายถึงว่าเราไปขี้โกรธขี้โมโหอารมณ์ฉุนเฉียวใจเร่าร้อนนี่ก็ถือว่าตกนรกแหละเราก็ตกกันบ่อยๆวันละหลายครั้งใช่ไหมรู้สึกตัวไหมว่าเราได้ตกนรก อ่าคนไหนที่มีสติปัญญาก็ตกมาแล้วก็ขึ้นมาได้ไวคนไหนขาดสติขาดปัญญาก็ตกขําวันข้ามคืนและวันหลายคืนมาคนตกเป็นปีเป็นเดือนเป็นหลายปีก็มี <c oughs> กว่าจะออกมาได้ น, นี่เขเรียกว่าเราก็ตกนรกกันมาทั้งนั้นบางครั้งเราก็เกิดเป็นเปรตตกนรกด้วยอํานาจของโทสะความไม่พอใจโทสะบางครั้งก็ตกนรกขุมเล็กๆ คือไม่พอใจเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆน้อยๆเรียกว่าตกนรกขุมเล็กๆถ้าไม่พอใจมากๆก็ตกนรกขุมใหญ่ตกลึกบางคนก็ไม่พอใจบา ด, ดาลโทสะได้ฆ่ากันแกงกันยิงๆๆยกันตายก็ตกนรกลึกลงไปอีกนี่มันก็เลยทําให้เราขึ้นยากทีนี้คนที่ยังมีโลภะความอยากความรักความใคร่ยอยู่ก็ตกนรกเป็นเปรต คืออสุรกาเป็นเปรตคืออยากอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้ลูกได้ผัวได้เมียอยากได้ทรัพย์ได้สินอยากได้บ้านได้ช่องอยากได้นู่นได้นี่เลือกส่นไลรนาที่มันเกินจําเป็นพวกนี้เราก็ไปเป็นเปรตต้องท่องเที่ยวแสวงหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาอยู่หากินอยู่ตลอดเขาเวียนว่าอยู่แต่เรื่องอยากนั่นแหละไม่เต็มสักทีเขาเรียกว่าเปรตคือมันไม่อิ่ม อยากนี่แล้วก็อยากนั้นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดเป็นเปรกวันละหลายครั้งเราวันกินข้าววันละสองสามจานก็อิ่มแต่เราวันหาเป็นกระสอบหลายๆกระสอบก็ยังไม่อิ่มเรานอนในเตียงได้ไม่ถึงเมตรแต่เราก็สร้างบ้านใหญ่โตเป็นห้าหลังสิบหลังร้อยหลังพันหลังเอาไว้ขายมันอยากไม่จบอืม เราใช้เงินวันไม่ถึงพันบาทสองพันบาทเราหาเงินเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านมันอยากไม่จบเรามีลูกคนนึงก็ทุกข์พอจะตายอยู่แล้วก็อยากจะได้ลูกหลายคนมีผัวมีเมียคนหนึ่งก็จะทุกข์แย่อยู่แล้วแต่เราก็อยากจะได้หลายคนอย่างนี่เขาเรียกมันอยากไม่จบจะเป็นเปรตนะบางครั้งเราก็คือเป็นอสุรกายเป็นอ้ศูนย์ ไอ้ศูนย์นก็ถืออํานาจบาดใหญ่เป็นนักเลงโตแสดงตัวว่าเป็นใหญ่มีอํานาจค่มคนนั่นขู่คนนี้แสดงอํานาจว่าเป็นใหญ่ในบ้านในเรียนในครอบครัวมีอํานาจข่มขู่ละลานคนนั้นคน น, นี้บ้างเขาเรียกเป็นพ่อไอ้ศูนย์แล้วก็เคยเป็นใช่ไหมพ่อแม่ละลานลูกละลูกละลานพ่อแม่พี่น้องละลานกัน นักเลงตูไปประจำตอกประจําซอยประจําบ้านประจําเมืองละลานค่ะเห็นคันเงไล่กันเนี่ยพวกนี้เป็นไอศูนย์ใช้อํานาจทางกฎหมายความได้เปรียบเอาลัดเอาเปรียบเราพวกไอศูนย์เดือดรัศกรายเดืวดร่าพวกนี้เป็นผีว่าเนี่ย เ, เป็นผีบ้านผีเมืองถ้าหากว่าพ่อแม่ชอบละลานลูกเบียดเบีย น, นลูกก็เป็นผีบ้านผีเรือนนะ หากว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันชอบเอารัดเอาเปรียบทุกบ้านก็เรียกว่าผีนะหมู่บ้านผีประจําตําบลผีประจำเขาเคือไปเรื่อยๆมันก็จะสูบเลือดกินเลือดนหละเอารัดเอาเปรียบกันเรียกว่าอศูนทีนี้บางครั้งเราก็เกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นสัตว์หมายความว่าสัตว์ในเวลามันทะเลาะบาะแวง้งขึ้นมามันก็จะมีอาวุธ มีเขามีงามีเขี้ยวมีเล็บมีพิษไว้ทำร้ายกันแต่คนนี่มันร้ายกว่าสัตว์ไม่มีเขี้ยวไม่มีงาไม่มีเล็บแต่มีอาวุธมีปืนผาหน้าไม้มีมีดมีล้วมีระเบิดมีบอมมีนิวเคลียมีอาวุธลับต่างต่างมียาพิษที่มันร้ายกว่าสัตว์เพราะนั้นเราก็ทะเลาะ แย่ไไกันถ้าเป็นสัตว์เริ่มเริ่มต้นเป็นสัตว์จะเริ่มเ่มต้นคือเริ่มจากการใช้คําพูดเป็นอาวุธกันการด่ากันทอกันการทะเลาะเบาะแว่งกันใช้คําพูดทิมแทงกันก่อนพอใช้คําพูดทิมแทงแล้วอย่าเอาชนะกันไม่ได้ก็ใช้มือใช้เท้าใช้มือใช้เท้าทิมแทงกันแล้วก็ยังเอาชนะกันไม่ได้ก็ใช้อาวุธมีดปืนพระหน้าไม้ไปนี่ก็าเรีกวเราเกิดเป็นสัตว์จะเบียดเบียนกันด้วยสิ่งเหล่านี้ ทุกคนก็มีอยู่ในโลกเราเนี้ยไม่ต้องรอให้ตายแล้วแต่ถ้าตายไปไหมายความค น, คนนั้นยังละเลือกนิสัยนั้นยังไม่ได้ละเลือกนิสัยโกรธไม่ได้ละเลือนิสัยกโกรธไม่ได้ละเลสัยเปรดไม่ได้ละเลือ ก, กนิสัยผีอาุรกายไม่ได้เ ล, เ, ลเลิกเลือกนิสัยสัตว์ไม่ได้พอตายไปก็จะไปเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละนั้นเกิดมาเป็นคนนี่โชคดีตรงที่มันมันสามารถแก้ไขได้คนที่เคยกโกรธตกนรกบ่อยๆก็แก้ไขให้ หายโกรธได้มันดีตรงนี้แต่พอไปเกิดเป็นสันนรกตกนรกจริงๆแล้วมันแก้ไขไม่ได้นะต้องจมผุดจมว่า ย, ยู่ในนรกจนกว่าจะหมดกรรมแต่ในขณะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราโชคดีตรงที่ว่าเราเคยเป็นคนโกรธโมโหพอได้สติได้สมาธิได้ปัญญาแล้วมันก็หายโกรธหายมโมโหได้ก็ออกจากนรกได้แต่ถ้าตายไปแล้วมันออกไม่ได้นะจนกว่าจะหมดกรรมดังนั้นเราจึงมาฝึกไงมาฝึกให้เกิด เครื่องมือสมอย่างคือศีลสมัมปัญญายาหรือสติสมัิปัญญาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเราจะออกมาจากอบียภูมิคือเปรตนรกอสุรกายเดรัจฉ า, านได้ง่ายขึ้นให้เกิดมาเป็นทางด้านเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แล้วนี่เราจะไปทางสูงขึ้นไปเป็นเทวดาไปเป็นอินเป็นพรมแต่เทวดาอินพรมก็มีสองพวกนะพวกเห็นผิดเรียกว่าพวกมิจฉาทิฏฐิ และพวกเห็นถูกและพวกสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเราถ้าเรามีการฝึกฝนสติสมมติปัญญาประจำเราก็จะเป็นเทวดาอินพุ่มที่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้เป็นเทวดาอินพุ่มที่เป็นวิชาทิฏฐิเทวดาอินพุ่มที่เป็นวิชาทิฏฐิได้แก่วพวกไหนเทวดาบางคนนี่มีอยู่มีกินล่ำรวยแต่ว่ายังเอารัะเอาเปรียบเพื่อนยังโกงยังกินยังแต่ชีวิตชุกสบายนะ ใช้เงินเยอะแยะมากมายหลายล้านหลายพันล้านแต่ว่าได้มาเพราะเราเอาเปรียบผู้อื่นเพราะได้กําไรต่างๆจากผู้อื่นด้วยการเอาเปรียบแต่ว่าไม่ชอบทําบุญทําทานไม่ชอบเข้าวัดไม่ชอบรักษาศีลไม่ชอบภาวนามีพล ว, เ, วเทวดามิฉาทิฏฐิคือชอบที่จะได้แต่ไม่ชอบเสียเพราะอิน ก็หมายถึงพวกที่บริหารบ้านเมืองเป็นผู้นําแต่ว่าใช้กฎหมายใช้ความได้เปรียบทางด้านอํานาจเอาเปรียบทําร้ายผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆนี่เรีพวกไรอินที่เป็นวิจฉาทิฐิพวกนี้ก็จะกลายเป็นจ่าหยุมพาบาลเป็นหัวหน้าหยุ ม, ยมพาบาลได้แล้วพวกพระปรมุมพระปรุมได้แก่คนที่มีสติปัญญาพระปรุ่มที่เป็นวิจฉาทิฐิได้แก่คนที่มีสติปัญญาเหนือกว่าผู้ผู้นำไปอีก นะแต่ว่าเป็นสฉลปัญญามิจฉาทิธฐิสนะอนผิดออกกฎหมายผิดออกกฎระเบียบผิดทำให้ความประชาชนคนเดือดร้อนกันะระยะยาวนี่พวกพรมที่เป็นมิจฉาทิธฐิแต่พรมที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้แก่พวกที่มีเมตตา <c oughs> การุณามุทิตาอุเบกขาผู้ใหญ่บางคนหน้าคารุมหน้านับถือหน้ากลับหน้าไหวเป็นคนมีศีลมีธรรมให้ความเป็นธรรมแก่คน ในประเทศในชาติผู้ใหญ่บางคนนี่เขาเรียกว่าพ่อพรมที่เป็นสมาธิฏฐิเราก็ได้พึ่งอาศัยเนี่ยเราก็เวียนว่ายใจเกิดอยู่เนี่ยทีพระพุทธเจ้าท่านก็เวียนว่ายใจเกิดอยู่ในนี่ท่านบอกอู้น่าเบื่อจังเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวตกนรกเดี๋ยวขึ้นสวรรค์เดี๋ยวเป็นวิชาทิฏิเดี๋ยวเป็นสมาธิฏฐิเดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์เดี๋ยวเกิดเป็นคนเดี๋ยวเกิดเป็นเปรตเดี๋ยวเกิดเป็นสุรกายเดี๋ยวเป็นสกปรกเสียในโลกท่านก็เบื่อว่าเอ๊ะมันจะออกจากพวกนี้ได้ยังไงถ้าเราเป็น คนไม่ดีเป็นคนร้ายแล้วก็ทุกข์ตกนรกแล้วก็กลัวนรกก ล, นล ก, กลัวทุกข์ก็ ว, วิ่งมาหาความทําความดีพอเป็นดีขึ้นมาหน่อยก็หลงตัวไปทําชัว่วอีกตกนรกอีกอยู่งั้นมันออกจากดีจากชั่วไม่ได้ในที่สุดท่านเลยก็หนีออกจากบ้านจากเรือนพระเจ้ทาท่านเกิดแก่เจ็บตายอยู่กับเป็นคนดีคนร้ายเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นสัตว์นรกอย่างนี้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติ ท่านระลึกได้ท่านก็เลยเบื่อท่านก็เลยออกบวชพอออกบวชแล้วไม่ใช่ว่าจะพ้นเลยนะออกบวชตั้งกี่ปีกว่าจะรู้ธรรมอะกว่าจะพ้นทุกได้ตั้งหกปีใช่ไหมท่านออกบวชตั้งแต่อายุยีบิบเก้ากว่จะรู้ความจริงออกจากพุทนี้ได้อายุเท่าไหร่สามสิบห้าหกปีท่านก็ลองถูกลองผิดอยู่ทั้งหกปีกว่าจะรู้ทางพอท่านมารู้ทางโอ๋อ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราสวดมาเมืี้มนุปุพังเขมาธรรมะมนเสรามนุมยาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกทั้งมวลทั้งจักรวาลมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจปุถุเทนะภาสติวากาโรติวาผู้ใดมีใจไม่ดีเนี่ยจะพูดจะทําจะคิดก็เสียหมดเป็นทุกข์นําไปสู่นรกนําไปสู่ไบายภูมิะ แต่ว่าประสันในนภาสติวากโรูติวาแต่คนไหนมีใจดีจะพูดจะทําจะคิดก็ดีหมดนําไปสู่สวรรค์นําไปสู่นิพพานอ๋อใจนี่เป็นใหญ่ใจที่เป็นประธานใจนี่เป็นผู้ถึงก่อนทุกสิ่งทุกอย่างท่านกลุ่มาันว่าพัฒนาที่ใจเมื่อก่อนท่านไม่รู้ทําไปทรมานกายใช่ไหมจนจะล้มจะตายอ่ะอดข้าวอดน้ํานอนนั่เฉียนนอนน้ําอ่า ไม่กินข้าวไม่กินน้ําตั้งห้าหกปีอ๋อกิเลสไม่อยู่ที่กายนี่กิเลสไม่อยู่ที่ใจอย่าไปทรมานกายอย่างไงทรมานก็ตายอย่างเดียวท่านเกิดเลยมาหันมาทรมานใจทรมานกิเลสพอเข้าใจยังถูกได้คืนเดียวเนี่ยเป็นไงเมื่อก่อนท่านก็ทําทรมานตัวเองนั่งสงบไม่ทําอะไรไม่ติง้งไม่นิ่งไปศึกษากับลัทธิของอะไร อะไรด่าด่าบทด่ากาบทใช่ไหมที่เรารู้ก่อนที่จะมาทำอย่างเงี้ยไปนั่งหลับตาภาวนาพุทโธสัมมาระหังอะไรต่างๆจนได้ฤทธิ์ได้เดชได้ฌานเหาะเหินเดินอากาศได้แต่พอไม่ได้ทํำยังโกรธเหมือนเดิมยังเกลียดเหมือนเดิมยังโลภเหมือนเดิมพอนั่งทําสงบมันก็ดูเหมือนสงบดูเหมือนดีอาแต่พอกลับไปบ้านยังโลภยังโกรธมัหลงเหมือนเดิมอ้าวมันไม่ได้ช่วยอะไรนั่งสงบมันไม่เกิดปัญญาเพราะไม่รู้เท่าทันความคิด ไม่รู้เท่าทันใจของตัวเองเนี่ยนั่งสงบไปทําไมท่านก็เริ่มไม่เอาเนี่ยเลิกครูทั้งสองเลยแต่คนทุกวันนี้ก็ยังตำทาําตามครูทั้งสองของท่านอ่ะนะคืออย่าไปนั่งสงบหลับตาเข้าฌานเข้าเอาฤทธิ์เอาเดชเอาครั้งเอาศักดิ์สิทธิ์เอามาเสกอิหินดินปูนเสกอิฐเสกเหล็กเสกทองมาแจกมาขายกันเพละอทำินสัีย์ใช่ไหมเมืองไทยเอาพุทธรูปเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดรูปเหรียญห้อยกันเต็มคลองเต็มซอยหมด ก็ยังทุกข์ก็ยังฆ่ายังแกงยังเทาระโบะแวงกันอยู่ใช่ไหมแล้วมันใช้ได้ไหมเราเราก็ยังไปนั่งหลับตาแบบแบบอาจารย์เดิมของพุทธิยานั่นแหละเพราะอะไรเพราะคนไม่รู้นํามาสอนกันโยมก็ไม่รู้โยมก็ทําตามใช่ไหมบ้านเราเมืองเราชอบนั่งสมาธินะนั่งป๊อกกก็ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายต่างตัวตรงดําร ง, ตร ง, ตรงสติมัน่นดับตา ตำหนดลมหายใจเขาออกปั๊บเลยถ้าใครไม่ทำอย่างนั้นนะว่าไม่เป็นกรรมฐานแล้วนี่เขาว่านั่งยกมือป๊อปป๊าปแมีอะไรก็ไม่รู้นี่มันบ้ามันบอหรือเปล่านี่ใครมาเห็นนะใช่ไหมมันเป็นกรรมฐานหรือเปล่านี่โอ้บางคนรับไม่ได้เลยนะแต่บางคนฉลาดโอ้เป็นของใหม่น่าศึกษา และทิง้งละที่เก่าไว้ก่อนเอาละที่เก่าวางไว้ก่อนนั่งหลับตาภาวนามาก็นานแล้วนี่ใจไม่ดีขึ้น ย, ยังโกรธยังโกรธยังเปลี่ยนยังเคียดยังขุ่นมือนเดิมนั่งมาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นมันดีขึ้นเก็บวางไว้ก่อนลองมาทําแบบนี้ดูยกมือหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าท่านทําสมาธินั่งหลับตามาตั้งแต่อายุสิบอ็ดจนมาอายุสี่สิบหกท่านบอกว่าความโกรธเรื่อยยังลัไม่ได้เลยท่านว่า ท่านเป็นคนที่มีมีมีอันจะกินน่ะหลวงพ่อเทียนท่านเป็นคนฉลาดเนาะค้าขายระหว่างไทยกับลาวสมัยนั้นเมื่อห้าสิบหกสี่ปุ๊บก่อนท่านบอกว่าแต่ละปีเนี่ยท่านมีอันจะกินแต่ละวัดมาขอกระถินท่านปีนั้นท่านทอดกรถินห้ากองห้าวัดอ่ะมาขอกระถินท่านสาเหตุที่ท่านจะปฏิบัติแบบนี้นะปฏิบัตินั่งหลับตามากี่ปีโยมตั้งแต่อายุสิเอมาถึงสี่สหกกี่ปีโยม ที่นั่งข้างหลังอยู่เลยนะนั่งหลับตาอยู่นี่เออตั้งแต่อายุสีิบเอ็ดมาถึงสี่สิบหกกี่ปีสามสิบปีเนาะสามสิบกว่าปีองค์พ่อเทียนวัวก็นั่งหลับตาอย่างเงี้ยก็ยังโกรธอยู่เลยท่านทอดกะทินห้ากองปีนั้นนะทีนี้ตกลงกับแม่บ้านว่าเอา้าเธอเนี่ยเป็นคนรับเงินรับทองที่เขามาบริจากเพื่อที่จะไปทอดกะทินนะ่ฉันจะเป็นคนรับแขกตอนนั้นถ้าเป็นเครื่องหัดนะนะนันเป็นพ่อบ้านอย่างเงี้ย อาจเป็นคนรับแขกแต่ตกลงกันว่าเธอคนที่แขกที่มาในงานเนี่ยรับบริจาคหมดแล้วก็แต่ว่างานกระถิน่นวันนอกเขามีอะไรโยงรู้ไหมมีหมอรำมีคอนเสิร์ตมีอะไรแบบสมัยนี้นะทีนี้พอหลังจากเสร็จงานแล้วพวกหมอรำพวกคนเสื่อมันก็มาทวงเอาเงินค่าแสดงสิทีนี้ปรากฏว่ามันไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ่ายเงินมันก็ไปหาหลวงพ่อเทียนตอนนั้นเขาเรียกว่าอุบายศพันธิแท้ผิวชื่อท่านนะ ก็ไปขอเงินจากท่านนะงานนี้หมื่นงานให้นสองหมื่นงานนั้นสามหมื่น 30, 000, วงนั้นหมื่นวันที่หลวงพ่อเทียนท่านไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินเพืให้แม่บ้านคนจ่ายตกลงกับแม่บ้านแต่ไอพวกนี้มันไม่เข้าใจมันไปทวงกับหลวงพ่อพันหลวงพ่อพันก็เลยหงุดหงิดโมโหให้ภรรยาของตัวเองเฮ้ยตกลงกันแล้วทําไมต้องมาเอาเงินที่ฉันฉันไม่ได้เก็บเงินนะี่ยให้แม่บ้านหมดาเหมือนเสียหน้านะมาเอาเงินกิจภาพกิภาพไม่มีเงินนะ่ะท่านก็โมโห พอหลังจากทอดกะิีเสร็จแล้วใจของท่านคุนตลอดเลยนะแม้แต่ทอดกะถินอยู่ใจกระตกนรกอยู่ยังไม่ได้ขึ้นสวรรค์อะไรเลยไม่ได้ดีใจเลยใจคุนพอตอนเย็นมาหลังจากทอดกะถีนะตอนเย็นท่านบอกว่ามานั่งทานข้าวกับภรรยาท่านก็ยังโวนวายเอ๊ะทำไมตกลงกันแล้วเนี่ยให้เธอเป็นคนจ่ายเรื่องนู้นทำไมเธอไม่ทำหน้าที่แม่บ้านขึ้นเป็นคนใจเย็นก็บอกเอ๊ะพอ่อวันนี้เราทอดกะถินมาหวัดเลยนะพ่อยังตกนรกอีกเหรอ พ่อไม่ได้บุญเลยนะโอ้โหท่านตกใจเลยโอ้ใช่ภรนยาพูดความจริงทำสมาธิมาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดจนถึงอายุสี่สิบหกยังตกนรกอยู่ทอดกระทินมาทุกปีปีนี้ห้ากองก็ยังตกนรกอยู่ท่านเกิดความตกใจในที่สุดต่อมาท่านก็นเลยบอกแม่บ้านว่าเอาละต่อไปนี้ฉันจะออกจากบ้านไปหาวิธีปฏิบัติ ถ้าใจฉันยังโกรธยังเกลียดยังเคียดยังขุน่นชั่งละความสงบแบบนี้ไม่ได้ฉันจะไม่เข้าบ้านท่านก็เลยออกบ้านไป <c oughs> ได้ข่าวว่าไปนู่นไปที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านเล่านะตอนนั้นปรากฏว่าหลวงพ่อมหาปานอนันโทที่เป็นประธานสงฆ์ลาวเนี่ยสอนกรรมฐานแบบติงนิ่งยกเลยนะ ติงนิ่งติงนิ่งช้าช้าติงนิ่งติงนี่ภาษาลาวว่าเคลื่อนใช่ไหมหยุดเนี่ยภาษาลาวว่านิ่งเขาเรียกกัมภาษาติงนิ่ ง, มาา ง, งสมัยนั้นนะนะทีหนึ่งพ่อเทียนก็เลยตอนแรกก็ไปไปทําหนอทําพุโทโธทําลมหายใจเนี่ยท่านบอกเอ้เขามานานแล้วนี่ติงนิ่งก็ทั้งหลับตามันก็ไม่ได้ต่างกันนี่ อันนั้นมันนั่งหลับตาเฉยๆอั น, นี้มันเคลื่อนไหวมือมันก็ไม่ต่างกันเอ๊ะทำไมหลับตาไปทําไมติ้งนิงไปทําไมท่านเลยถามอาจารย์ที่นี้ตอนนั้นอาจารย์ที่ท่านไปเรียนด้วยหลวงพ่อวันทองหลวงพ่อวันทองเป็นข้าราชการเก่าก็อธิบายไม่ได้ท่านก็ทําตามอาจารย์เหมือนกันที้ต่อมาหลวงพ่อปานมหาปานนันโทที่วัดสุปะหลวงที่เวียงจันนะนะข้ามมาเทศประจําวันพระที่วัดศรีเฉลิม สีชังใหม่วัดสีขุนเมืองนะตัวนั้นเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าถ้านอาที่บายให้กรรมฐ า, านการเคลื่อนไหวเนี่ยเอาจิตมาไว้ใกล้ตัวเพื่อเอาจิตมาไว้ใกล้ตัวอย่าเอาจิตไปไว้ข้างในตัวมันลึกเกินไปแล้วมันติดสงบพอติดสงบแล้วปัญญามันไม่เกิดว่างั้นพอปัญญามไม่เกิดเวลาความโร ก, โกความโกรธความหลงมากระทบเนี่ยมันออกไม่ได้มันไปติดสงบว่างั้น มันไม่ทันปัญญาไม่เกิดแต่เอาเอาตัวสติสมาธิปัญญามาไว้เคลื่อนไหวข้างนอกซะมันจะได้ทันเห็นแล้วไม่ต้องหลับตาพอหลับตาเนี่ยมันมันปิดปัญญาตาปัญญามันจะเกิดกับคนนี้มันหกทางใช่ไหมทางตาได้เห็นหูได้ยินปัญญาเกิดจมูกได้กลิ่นปัญญาเกิดเช่นว่ากินอะไรกินหอมกินเหม็นรู้ใช่ไหมตาเห็นเนี่ยสวยไม่สวยรู้ดีไม่ดีรู้ หูได้ยินเสียงเพราะไม่เพราะเสียงถูกเสียงผิดรู้ปัญญามันเกิดตรงนั้นนะได้กลิ่นจมูกได้กลิ่นดินวิวัการสมบัติใจรู้เนี่ยปัญญามันเกิดทั้งหกทางทีนที่ไปปิดหูปิดตาใช้ไปนั่งสมาธิปัญญามันเกิดไม่ครบปัญญามันไม่พอเวลาใครมาครบพูดทําอะไรก็ไม่ถูกตาพูดอะไรไม่ถูกหูปั๊บเนี่ยมันไม่พอใจเลยปัญญา ม, มาไม่ทันมันก็เลยนั่งกรรมฐ า, านแในตรงนรกวันนี้ท่านบอกโอโ้ท่านทําผิดมาตลอดยี่สิบสามสิบปี ในที่สุดมานั่งยกมือช้าๆนึกบอกว่ามันก็ไม่ต่างกับผู้โธไม่ต่างกับหลับตานั่งสมาธิเพราะมันบังคับจิตจิตไม่เป็นอิสระถูกบังคับจิตมันถูกบังคับให้สงบเพราะมันชินน่ะท่านก็เลยเอ๊ะทาไมเราไม่ทําให้มันเร็วขึ้นน่ะท่านเปลี่ยนเปลี่ยนจากช้าๆเนี่ยมาเป็นไวอย่างที่เราทำไว้นี่แหละเพราะช้าเนี่ยมันไม่ทันปัญญามันเกิดไม่ทันมันช้าเพาะงั้นพอทาให้มันไวขึ้น อันนี้คือปัญญาของท่านคือหมายเขาว่าอันไหนก็ตามทาไปแล้วมันไม่มันไม่เกิดไอความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยท่านเปลี่ยนแปลงได้นี่คือนี่คือความฉลาดของท่านท่านก็ลยมาเปลี่ยนเป็นสิบสี่จังหวะตัดติ่งนิ่งออกตัดตัดช้าออกมาทำแบบอย่างที่เราทำลองๆดูนะทาถูกต้องทำไง เ, ง, เท ง, งเนี่ยฟังมือท่านสองเงี้ย เราพิกกันจะให้ให้ให้นึกเท่ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 14จังหวะแต่ ว, ว่า15ถ้าถ้าถ้าเตรียมด้วยเป็น15บนหะ้นะเวลาเตรียมก็1อย่างเงี้ยนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าถ้านับถ้าเตรียมด้วยก็เป็น15 ถ้านับพิธาทำก็เป็น14นี่ยแลก็ได้15ก็ได้แต่ว่าสำหรับคนบางค น, ค, นความจำไม่ค่อยดีก็นับทีเลครึ่งก็ได้เข้า3บอก4 1 2 3เข้าขวา1 2 3เข้าซ้าย 1, เข้า3ออกสี่ก็หมายความออกทีละข้าง1 2 3 4 หนึ่งสองสามสี่พอมันจำแล้วก็ไม่ต้องนับพอมันจำแล้วก็หนึ่งสองสามออกก็หนึ่งสองสามสี่มันข้างแล้เจ็ดห้าแล้วก็ทำไปเรื่อยๆในขณะที่เราทำให้เป็นระเบียบนี้รู้ กายรู้ใจว่ากําลังขึ้ือนยังไงกําลังไหวไปยังไงใจอยู่เป็นสติแล้วตั้งใจทําไปเรื่อยๆไม่หยุดต่อเนื่องไปเรื่อยๆกายกับใจก็อยู่ตรอันนี้เป็นสมาธิแล้วในขณะที่ทำเนี่ยปรับกายปรับใจให้สบายปรับใจปรับใจให้ผ่อนคลายไม่ตั้งใจมากเกินไปแล้วก็ไม่ปล่อยหย่อนยานมากเกินไปปรับให้พอดีพอดีที่เรียกเป็นปัญญาปัญญาคือปรับให้พอดี แต่ถ้าขนาดทําใจมันง่วงใจมันเหงาใจมันลอยนี่แสดงว่าไม่พอดีแล้วมันไ ม, ไม่เกิดปัญญาล้ปัญญาหายไปเหลือแต่สติสมาธิก็ต้องมาปรับใหม่ตั้งต้นใหม่ถ้าทําถูกต้องสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดตลอดเวลาโอ้ตรงนี้เองพอต่อไปพอท่านเกิดอะไรมากระทบปับ้บมารู้เลยโอ้ตัวนี้ใจไปนอย่างนี้พอเกิดอะไรปับ้บมาดูที่ใจก่อนเมื่อก่อนมันพุ่งไปคนที่สมมติคนเขาพูดออกมาคําไม่ดีว่าเราใช่ไหม จิตมันพุ่งไปที่คนนั้นก่อนพุ่งไปคนที่พูดแต่พอมาทําอย่างนี้บ่อยๆปั๊บพอมีอะไรกระทบปั๊บแทนที่จิตมันจะพุ่งไปที่คนพูดนะมันพุ่งมาดูดูใจตัวเองว่าใจเป็นยังไงเราไม่พอใจอ๋อไม่พอใจเป็นอย่างนี้มันมาดับที่นี่ก่อนมาดับความไม่พอใจก่อนแทนที่จะไปมึงว่ากูทําไมหมายความไม่งไงจะเอาอยัางไงใช่ไหมอันนี้คิดออกไปข้างนอกตามที่เราไม่เคยปฏิบัติพอเราเคยไม่ปฏิบัติพอเขาพูดอะไรไม่ถูกปุ๊บมาดูใจมันเป็นยังไง ใจไม่พอใจโอ้ใจไม่พอใจพอสติที่เราฝึกเนี่ยไปดับตรงนั้นก่อนไปดับไฟตรงนั้นก่อนพอไฟโกรธมันดับไฟนรกดับที่ใครจะว่าจิตมันก็เฉยแล้วทีนี่ยพอฝึกบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตมันเคยโกรธมากก็กลายเป็นโกรธน้อยโกรธแล้ที่โกรธน้อ ย, อยกลายเป็นไม่โกรธเลยที่พอไม่พอใจมากๆเต็นไปนไม่พอใจน้อยๆอยู่มีอยู่ใช่ไหมขึ้นอยู่กับกําลังสติสมาธิปัญญาที่เราฝึกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าฝึกมากก็หมายความว่า กำลังของความไม่พอใจมันก็จะไม่เกิดเลยไฟนรกก็ดับเพราะฉะนั้นพุทธิเจ้าท่านประกาศว่าบุคคลตั้งแต่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปจะไม่ตกนรกเลยคือหมาความ่จะไม่โกรธนานนะพระโสดาบันหมายถึงวนะ่าดึงกายกับใจมาอยู่ด้วยกัน2 5่เคือหมายความร้อยครั้งเนี่ยสามารถรู้ได้ถึงยี่สิบ้าครั้งขีดมันออกไปร้อยครั้งเลยนะรู้แล้วจิตออก25ครั้งดึงกลับมาได้25ครั้ง ร้อหนึ่งสามารถดึงใจมาอยู่กับกายนีย้ได้ถึงยี่สิบห้าครั้งแต่ว่าคนที่ก้าวหน้าไปยิ่งกว่านั้นจิตร้อยครั้งมันออกไปดึงมาได้ถึงสิบห้าห้าข้าศิลครั้งนี่เป็นพระศีกทาค้ามอีอีกคนหนึ่งร้อยครั้งดึงจิตกับกายมาอยู่ด้วยกันทันทีได้ถึงเจ็ดสิบห้าหรือแปดสิบครั้งเป็นพระอนาคามีอีกคนหนึ่งถูกกระทบปั๊บรู้ทันทีเลยใจกับกายไม่ได้ออกจากกันเลยเป็นพระลนะหันเห็นไหม อันนี้ก็ไปตามลําดับนี่เงี้ยเพราะฉะนั้นเราพยายามทําให้ได้ถึงมันออกไปปั๊บรู้ได้ถึงยีบห้าครั้งแต่ละครั้งร้อยหนึ่ง น, นะแต่ถ้าหาว่าค น, นําได้คนไหนทําได้ไวกว่า น, นั้นก็ยิ่งดีแต่ว่ามันต้องคงที่นะแต่ว่าเพรว่ามันออกไปปุ๊บเนี่ยเราดึงมาที่ได้ยีิบห้ามันออกไปอีกดึงมี่ยี่สบห้า 25. แต่ว่าพอได้สติตปั๊บไปร้อยพอขาดสติปั๊บมาศูนเหมือนเดิมนี่อันนี้ยังไม่เป็นมันจะต้องค้างอยู่ที่25่ส้าเเต รู้ตัวอยู่นะเข้าใจนะอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมต้องทําแบบนี้เพราะคนบางคนนี่เคยนั่งสมาะนั่งหลับตา ม, มานานจะสงสัยว่าไอ้ทำไปทาไมมันได้สมาธิตรงไหนได้ความสงบไม่เห็นสงบเลยวิธีการนี้เราจะไม่เอาความสงบแต่เราจะความรู้ตื่นเบิกบานความรู้ตื่นเบิกบานจะทําให้เกิดปัญญาแต่ความสงบจะทําให้เกิดโมหะเกิดตัณหาเกิดความอหลงอาหลงลืมล แต่ม่นสงบดีมันเป็นสุขดีคนชอบใช่ไหมแต่ว่าเราปฏิสงบแต่ไม่เกิดปัญญานั่งปฏิบัติที่หลวงพ่อเทียนว่าปฏิบัติสมาธิมาตั้อายุสิบถึงอายุ16ก็ยังโกรธเหมือนเดิมเพราะปัญญาไม่เกิดรู้เท่าทันรู้ไม่เท่าทันความโลภโกรธหลงที่มันเกิดเราก็ยังไม่พอใจมีคนว่าอะไไม่พอใจอยูอ่เราเห็นอะไรสวยอะไรงามทุกต้องรำเกิดก็อยากได้อยู่ เราก็ยังไปเห็นความเขาสนุกสนานเพื่อเพื่อกินเล่นสนุกเราก็อยากสนุกอยู่มันไม่รู้เท่าทันความรบกวหลงที่เกิดนี่อันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราจึงมายกมือเข้าใจไหมโยมเข้าใจได้ไหมโยมที่นั่งหลับตาเนี่ยเข้าใจได้ไหมที่หลวงพ่อพูดเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้นะแต่เข้าใจไม่ได้นี่ก็ถามแต่ถ้าไเข้าใจได้แต่ว่ามันทําใจไม่ได้โยมก็ต้องเลิกไว้ก ลุงพ่อจะไม่บังคับใครแต่จะให้เกิดปัญญาเข้าใจได้นะให้ค่อเข้าใจพอเข้าใจแล้วทีนี้มันจะสนุกมันทําให้เกิดปัญญามันจะสนุกรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตกลับไปบ้านนี่นะลูกสามีภรรยาจะได้จะว่าจะยังไงก็เฉยได้แล้วทีนี้ไม่ตกนรกเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ได้นะกลับไปบ้านถูกสอบบรมมิง่งขึ้นมาแล้วไปเลยตกนรกทันทีอาควรจะขึ้นมาอีกตั้งหลายชั่วโมงกวรจะขึ้นจากนรกมาได้ แต่พอมาฝึกตัวเนี้มันไวพอทําท่าจะตรงรกขึ้นมาได้ทันทีพอทำท่าจิตคือตกนั่นเองจิตมันตกไปเนี่ยเขว่าตกนรกจิตมันตกจากกายไม่ใช่เรื่องอะไรมากแต่ว่าถ้าหากว่าเราสามารถกู้จิตขึ้นมาทุกครั้งที่มันเกิดมีการกระทบเนี่ยต่อไปถ้าเราตายไปแล้วเราก็จะไม่ตกนรกไม่เคยตกนรกเลยทีเพราะอะไรเพราะจิตของเรามไม่ตกจิตมาอยู่กับกายตลอดไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวนรกเพราะอะไร เพราะเรารักษาจิตไว้ได้แต่ถ้าเรารักษาจิตไม่เป็นนะคุณจะกลัวนรกขนาดไหนคุณก็ตกนรกเพราะอะไรเพราะจิตมันไปก่อนแล้วนะจิตมันไปก่อนที่ว่าเมื่อกี้จิตมันไปก่อนแล้วมีอะไรป๊บจิตมันไปก่อนแล้วแต่พอเราฝึกสติเนี่ยสติมันไวใช่ไหมมันเอาจิตทันเหมือนเราเลี้ยงลูกเล็กๆอ่ะถ้าหากเห็นลูกกําลังคารไว้มันจะตกหลุมตกล่องตกข่มตกบ้านเนี่ยแม่วิ่งตามไปทันลูกก็ไม่ตกบ้าน แต่ถ้าหากว่าแม่วิ่งไปไม่ทั น, นไงลูกตกบ้านตายพิกลพิการสรุปสลายนั่นเพราะแม่ไปไม่ทันเพราะนั่นสติจึงเหมือนแม่แต่ใจของเราเนี่เหมือนลูกเด็กสามเดือนหเดือนนั่นแหละมันชอบไปโน่นชอบซนใช่ไหมเดี๋ยวก็คิดไปโน่นเดี๋ยวก็คิดไปนี่นนจิตของเรามันเป็นเด็กเด็ ก, เ, ดกเล็กๆถ้าว่ายังไม่ได้ฝึกนะแต่พอจิตของเราถ้าฝึกแล้วเนี่ยมันเหมือนกับโอ้เป็นนายเป็นนายของกายได้ จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นหมายของว่าเราฝึกแล้วนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกจิตเป็นใครจิตเป็นเด็กอกายก็เลยอ่าเป็นแม่เราค้นมาฝึกกายฝึกแม่ให้เข้มแข็งฝึกแม่ให้ไวเพราะจิตมันไวนะเนี่ยเผลอแป๊บเอาคิดไปแล้วเผลอแป๊บคิดไปแล้วเป็นอย่างนี้เสมอเดี๋ยวเผลอไปรักเวลาไปเห็นอของสวยๆงามๆพนสวยๆงา ม, งามๆหล่อๆแล้วก็ไปเผลอไปรักแล้วไม่ทันละ ไวมากอะ่ะหรือบอยไปดูไปเห็นของที่ไม่ชอบจะไปเห็นคนที่ไม่ถูกชะตาป๊บมันเห็นแล้วมันเกิดไม่ชอบใจชังขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมไอ้นี้ไม่ชอบหน้าอีนี้ไม่ชอบหน้าไอคนนี้ไม่ชอบหน้ามันเห็นป๊บยังไม่ทันทักไม่คุยกันเลยมันมันชังไปแล้วมันเกลียดไปแล้วนะเห็นไหมทันไหมไม่ทันเพราะจิตมันไวมากเพราะฉะนั้นการฝึกยกไม้ยกมือเพื่ออะไรเพื่อฝึกกําลังของสติกําลังของสมาธิกําลังของปัญญาไปให้ทันจิต สติแปลว่าอะไรสติมันแปลว่าเล่นแปลว่าวิ่งสติกับคำว่ามันเดิมมันมาจากคำว่าสอเสือ ล, อล่อเรือแต่พอมาเขียนเป็นภาษาไทยเขียนเป็นสอคอยสลา ล, อล่อเรืออ่านว่าไงสอคอศลา ล, อล่อเรืออ่านว่าไงแปลว่าสอนเสลูกสอนใช่ไหมลูกสอนที่เขามีไวท้ทมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อยิงใช่ไหมยิงอะไร ยิงเป้ายิงนกยิงหนูถ้าพลาดเป้าเนี่ยได้ไหมไม่ได้ถ้าลูกศรมันช้าไปช้าเราได้ไหมไม่ได้เหมือนกันคำว่าสติมาจากคำว่าสระธาตุพอลงติปัจจัยในบาลีเนี่ยมันกลายเป็นสติโดโลเลหายไปมันกลายมาเป็นสติสติมันแปนว่าแล่นไปนว่าวิ่งวิ่งไปให้ทันใจเพราะใจมันชอบไปเหมือนเด็กไใช่อสติจึงเป็นแม่ปัญญาจึงเป็นพ่อ ปัญญาคอยรักษาทั้งแม่ทั้งลูกแต่แม่เนี่ยคอยรักษาลูกแต่พ่อพ่อบ้านเนี่รักษาทั้งแม่ทั้งลูกเพราะนั้นตัวปัญญาเหมือนพ่อสติเหมือนแม่จิตของเรานี่เหมือนลูกวันวั น, วนมันอยู่กับที่บ้างไหมโซนใช่ไหมวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเมันโซนยิ่งกว่าลิงไงเจ้าท่านก็เปรียบจิตเหมือนลิงหรือไอ้หนูคิดไหมตัวเองคิดไหม คิดแต่ไม่รู้ว่าคิดเอาไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่อะ่ะคิดเหมือนกันหมดดังนั้นเรามาปฏิบัติที่นี่นะถึงแม้ว่าจะอ่าดูเป็นในบ้านแต่ก็เป็นส่วนตัวดีถ้าเราไปปฏิบัตทิที่วัดที่ ว, น ว, น า, วน า, านุเดี๋ยวคนนั้นไปเดี๋ยวคนนี้มาเดี๋ยวว่าให้ทานเดี๋ยวมาทําพิธีโน่นพิธีนี่มันเสียเวลาแต่เรามาปฏิบัติเอาเนื้อเนื้อไปเลยได้บุญเนื้อเนื้อไปเลยหลวงพ่อก็ทําอย่างเงี้ยนะทําอยู่ ภาคูดว่าทําออกไปทำไปคนได้ประโยชน์คนโลภลดลโลภโหดรลงอะไรดูเขาก็เลยมานิมนต์ไปไปทั่วเลยเนี่ยไปยุโรปไปเมกาไปทั้งออสเตรเลียไปอินโดนีเซียไปแคนาดาไปกันทุกปีอย่างปีเนี้ไปมารอบแล้วเนี้ยเพิ่งกลับมาต้นเดือนมีนานเองพอเดือนพฤษภาเนี้ต้องกลับไปอีกลนะกลับไปทั้งที่ชิคาโก้ไปที่เยอรมันแับฝรั่งเศสเขานิมนต์ไปไปสอนแบบนี้แหละไม่ได้สอนเรื่องอื่นหรอกสอนให้เขาทําแบบนี้แหละ คนมันมีทุกข์เหมือนกันหมดทุกคนไม่ว่าคนชาติไหนพาษาใดมีทุกข์เหมือนกันหมดแต่เข า, เอาออกไม่เป็นอ่าหุดด่นใหญถ้าพร้อมก็ตีละครั้งเลยนะเพราะนั้นเข า, เอาออกไม่เป็นเราก็ต้องมาฝึกวิธีเอาความทุกข์ออกจากใจอะไรคือความทุกข์นั่งตอนนี้มีทุกข์ไหมใจของใครมีทุกข์บ้างยกมือขึ้นหลวงพ่อจะเอาออกให้ไม่มีทุกข์มันไม่มีแต่มันมีตอนไหน แต่เราเผลอคิดพอเผลอคิดทุกข์เกิดขึ้นทันทีเลยแต่ร่างกายเนี่ยพอเผลอนั่งนานๆเราน แ, แค่คิดกี้ก็หายทุกข์แล้วใช่ไหมความทุกข์ของร่างกายนี่แก้ง่า ย, เ, ยเวลาเรานั่งไปนานก็ยืนกระทุกก็หายแล้วความทุกข์ของร่างกายแก้ง่ายแต่ความทุกข์ของจิตเนี่ยแก้ยากที่สุดความทุกข์ไม่พอใจรักใครเช่าใครชังใครเนี่ยมันติดอยู่นั่นแหละมันไม่ยอมออกมันแก้ยากดังนั้นเรานะเพราะฉะนั้นเอง เราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเป็นเรื่องตายนะถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งกลับไปเกิดเป็นเปตเป็นไอเซอรกายเป็นสันนิโรกมันไม่คุ้มกันนะอย่างน้อยเราจะต้องไปเกิดเทวดาอินพรมที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าไปเกิดเป็นเทวดาอินพรมที่มี็มิจฉาทิฏฐิพอหมดบุญเทวดาอินพรมไปตกนรกใหม่อีกพวกนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นเทวดาอินพรมที่เป็นสัมมาทิฏฐิ เื่อมันจะได้พัฒนาเป็นพระอริยะพ้นจากการเว้นว่ายใจเกิดได้ดะงนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องสําคัญสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นถูกต้องเห็นถูกต้องเห็นอย่างไรเห็นถูกต้องว่าร่างกายเนี่ยตามปกติมันเป็นที่ตั้งของสุขหรือเป็นที่ตั้งของทุกข์ร่างกายในใครมีความสุขกู้สบายมากแล้วเกิดมาไม่เคยทุกข์เลยร่างกายสบายมากใครบ้างที่เป็นแบบนี้ยกมือขึ้น ตื่นขึ้นมาก็ทุกข์เลยใช่ไหมไม่ได้ล้างหน้าก็ทุกข์ตื่นขึ้นมาเปิดน้ําไม่ออกเป็นไงทุกข์อ้าวจะเข้าห้องน้ําเปิดช่วมน้ําไม่มีเป็นไงทุกข์แล้วอ้าวเข้าห้องน้ําหาแปรงฟันหายาสีฟันไม่เจอเป็นไงทุกข์แล้วเปิดน้ําไม่ออกแค่นี้ยทุกข์แล้วใช่ไหมแค่ น, นอนหลับก็ยังทุกข์เมื่อคืนนี้ฝันไม่ดีฝันร้ายอย่างเงี้ยนะ ฝันมาผีมาอมาําฝันว่าขโมยใครโจรมาขม่มมาขี่มาขืนมาข้าขนี่ตกใจเนี่ยแม้ขณะหลับก็ยังทุกข์เลยถ้าหลับไม่เป็นน่ะแต่คนหลับเป็นก็สบายนะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าถ้าเป็นไปได้ในช่วงจิตวันเนี่ยเราจะมาทําเรื่องนี้เรื่องเดียวก็พอเรื่องอื่นไม่ต้องทําเพราะเราทํามาเยอะแล้วบุญก็ทํามาเยอะแล้วใช่ไหมเข้าวัดก็เข้ามาเยอะแล้วรักษาสิ่งรักษามาเยอะแล้วนั่งภาวนาก็นั่งมาเยอะแล้ว แล้วทุกข์มันหายไปบายย้างหรือยังโรคปวดหลงในใจของลถลดบาลยย้างหรือยังยังสำรวจไม่ได้เลยว่ารดลถได้หรือเปล่านะแต่ที่หลวงพ่อพูดว่ามิมคีเนี่ยทุกข์มันไม่ได้มีแต่มันมีตอนไหนมีตอนเราเผลอเราเผลอคิดอ่ะเพราะนั้นพอเรามาสร้างสติอย่างนี้ถ้าเราไม่เผลอทุกข์ก็เกิดไม่ได้ทุกข์ที่มันมาเผลอคิดนี่นแหละคิดมาแหลมก็ทุกข์เมือนั้นถ้าเราไม่คิดเลยเนี่ยจะทุกข์ได้ไหมโยม โยมใครบ้างที่รู้ว่าตัวเองหยุดคิดได้มีไหมไม่มีมีแต่มีแต่คิดคิดคิดคิดคิดวันถามว่าวันหนึงคิดกี่ครั้งโยมจําได้ไหมวันคิดกี่ครั้งคิดกี่เรื่องเรื่องดีกี่เรื่องเรื่องไม่ดีกี่เรื่องจําได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเยอะเกินไปเห็นไหมเพราะมันเยอะจนจำไม่ได้อะทุกอะ แต่จำได้ว่าวันนี้มีความสุขกี่ครั้งเนี่ยพอจำได้ใช่ไหมโอ้วันนี้ไปกินอาหารอร่อยมีความสุขโอ้วันนี้ไปนั่งอ่าคุยกับเพื่อนมีความสุขมีไม่กี่ครั้งนะความสุขกันเลยไหมความพอใจเนี่ยแต่ความทุกข์เนี่ยโอ้โหมันเยอะจนจำไม่ได้เดินไปที่นี้เหยียบตรงนี้เท้าพลิกไปไงทุกข์อีกแล้วอ่เดินไปนี่สะดุดล้มตรงนั้นอะทุกข์เดินไปนั่นหัวไปชนอ้าวทุกข์อีกแล้ว ทุกข์มันเกิดขึ้นตลอดมนุษย์ของเรานี่บอบบางมากเลยนะอันนี้เนี่ยก็ทุกข์แต่ว่าคนเรารู้จักไหมว่าตัวเองเป็นทุกข์ไม่รู้เพราะเราอยู่กับทุกกินกับทุกนอนกับทุกตลอดเวลาท่านบอกว่านกมาเห็นฟ้า <c oughs> ปลามาเห็นน้ำํำนอนมาเห็นคู่ที่ดูดกินคนมาเห็นทุกข์มีค่ายเสมอกันนกมันบินตลอดมันเคยเห็นฟ้าบ้างไหมไม่เคยตามันออกไปข้างข้างปลามันอยู่ในน้ําจนว่า ตากับน้ําเป็นอันเดียวกันไม่เคยเห็นน้ําหรอกมันก็นึกว่ามันอยู่ในอากาศอย่างนี้แหละแล้วคนอยู่กับทุกเคยเห็นทุกวงไหมไม่เห็นเพราะมันอยู่กับทุกทุกจนชินน่ะอเราไปบอกมีเรื่องเล่าบอกว่าอุบายสกสองคนไปทําบุญด้วยกันรู้จักกันเป็นเพื่อนกันว่างั้นเถอะแต่อุบายจกคนหนึ่งเป็นคนจนอุบายสกุกคนหนึ่งเป็นคนรวยเป็นเพื่อนกันทุกวันสิบห้าค่ำเนี่ย เขาจะไปรักษาศีลที่วัดทีนี้วันหนึ่งฝนมันคืนเนาะฝนมันตกอายศุกที่เป็นคนจนเนี่ยไม่ได้ไปรักษาศีลที่วัดแต่วายศุกคนรวยเนี่ยไปรักษาศีลที่วัดทีนี้พอไม่เจอเพื่อนคิดเอ๊ยเพื่อนมันไปไหนทุกวันสิบห้าค่ำมาเจอกันน่ะมันคิดหาเพื่อนโอ้เพื่อนมันไม่มาเมื่อคืนนี่ฝนตก มันคงจะไปหากบหาเขียดหาปูหาปลาเพราะมันจนต้องไปทําอาหารกินใช่ไหมฝนตกมาใหม่ๆปูปลานาหน้ามันขึ้นโยมคนนี้คิดถึงเพื่อนคิดว่าอุแบบนี้กูไปกับเพื่อนก็นกดีไปได้ปูได้ปลาไ ด, าได้อะไรมากินบ้างกูมาอยู่วัดไม่ได้เลยกายอยู่วัดแต่ใจไปอยู่ไหนใจอยู่กลางทุ่งนุ่นแต่อุบาสุคนหนึ่งที่ไปหาปูหาปลาหาอะไรตอนฝนตกกลางคืนเนี่ยหากบหาเขียด โอ้วันนี้เป็นวันพ55ค่ำกูยากจนลูกเมียกูไม่ได้กินใจวันนี้ถ้าอยู่ที่วัดเพื่อนคงจะรอว่าจะรักษาศีลฟังธรรมภาวนาแต่กายอยู่ข้างทู่แต่ใจอยู่ที่วัดใช่ไหมอีกคนหนึ่งกายอยู่ที่วัดแต่ใจอยู่ที่กลางทุ่งเศร้ากันไอ้คนหนึ่งไปทำมาหากินแต่ใจอยู่ที่วัดตลอดเวลาแต่อีกคนหนึ่งไปรักษาศีลดายกายใจอยู่ที่ไปหากุงหาปลาอยู่กลางทุ่งตอลอดเวลา ในที่สุดพอถึงเวลาบวสุขสองคนถึงเวลาก็ดับกายทําลายขันไปเกิดปรากฏว่าเป็นไงรู้ไหมคนที่เป็นคนจนเนี่ยแต่ใจอยู่วัดนี่ยไปเกิดว่าเป็นเทพประบุเอ๊ะเรามาเกิดในคนเดียวเพื่อนเราหายไปไหนเราไปวัดด้วยกันไม่เพื่อนไม่มาเกิดพคเทวดาเขาไม่ริดเนาะเขาก็เลยส่องไปดูเอาไปเห็นเพื่อนไปเกิดปเดป็นหนอนอยู่ในส่วมอ้าวทําไมอ่ะ เขไปวัดด้วยกันเรามาเกิดในสวรรค์แต่ถ้ามันไปเกิดเป็นหนอนก็เลยไปเหาะลงไปไปที่ส้วมไปบอกเพื่อนทําเพื่อนทำไมมาเกิดที่นี่อันนั้นมันในส้วมนะเพื่อนไปกินได้ไงมูดคู่ทั้งนั้นเลยเขาเขินชอบว่างั้นอเพราะว่าเหลวซ้ายก็ได้กินเหลวขวาได้กินบนสวรรค์เนะี่ยมีอย่างนี้ก็ได้กินบ้างหรือเปล่างั้นโอ้ไม่ใช่บนสวรรค์มันไม่มีขี้ยินเหมงอนกั น, นอันนี้มันขี้นะเพื่อนทำไมสูงใช่แต่ว่ามันดีอ่ะ คุณไม่ต้องไปหาคุณนี้ต้องก่แล้วสวรรค์คุณในในสวรรค์คุณกินอาหารอย่างไรอ๋อสวรรค์นึกคิดก็มาแล้วอาหารก็มาก็อยู่ที่นี่ไม่ต้องนึก้องคิดนะเหลวซ้ายก็ได้กินเหลวขวาก็ได้กินเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่ามันอยู่กระทุกกินกระทุกเหมือนนอนอยู่ในช่วงเราก็ซ้ายก็ทุกข์ขวาก็ทุกข์ซ้ายก็โลภซ้ายก็โกรธซ้ายก็หลงใช่ไหมอยากตลอดซ้ายก็อยากขวาก็อยากซ้ายก็อยากจะได้ขวาก็อยากจะได้อันนั้นก็อยากจะได้อันนี้ก็อยากจะมี อันนั้นคือคือคูดคือมูดอ่ะเรากินมันตลอดเวลาคือทุกอ่ะแต่เราไม่รู้ไงเพราะเราเหมือนนอนอยู่ในส้วมแต่คนที่มาปฏิบัติธรรมออกจากมูดจากคูดจากความคิดได้แล้วว่าโอ้อันนั้นไม่ใช่ความคิดโรค ก, กวดหลงมันของโซกโปโกเหมือนอ่าคูดเหมือนมูดในส้วมทําไมคุณไปอยู่กับมันได้เรารู้สึกตัวไหมว่าเรากินทุกนอนทุกอยู่กับโรคปวดหลงรู้สึกตัวไหมไม่รู้เพราะเรากินมันตลอดเวลาเหมือนเหมือนนอนอยู่ในส้วม <laughs> อย่าไปโกรธกันนะ น, นี้ความจริงนะหลวงพ่อหลพเถียนเล่าให้ฟังวพ่าเทียนเราเราอยู่กับทุกนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ํานอนอยู่ในส้วมไม่เห็นคูดที่ดูดคินคนอยู่กับทุกแต่ไม่เห็นว่าทุกอยู่กับโรคกรุหลงแต่ไม่เห็นโรคกรุ่หลงที่ถามโยมว่าโรคกรุ่หลงเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมากับอะไรโรค ก, กดหลงมากับอะไรอ่าละถึงข้อสอบแล้วเมื่อกี้ผลงพ่อบอกข้อสอบไปแล้วนะ โลกกูหลงมันมาๆกับอะไรโยมนี่โยมแม่มาเกีับความคิดเป๊ะเลยเห็นไหมถูกต้องได้เคยไปดูป่าถ้าเราไม่คิดโลกกูหลงมาได้ไหมไม่ได้อะความคิดมันมาได้ไงมันเกิดความคิดได้ไงเพราะเราลืมตัวใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราจึงมาสร้างความรู้ตัวเมื่อเรารู้ตัวตลอดเวลานี่ใครจะว่าให้เราไม่พอใจแล้วก็รู้สึกเฉยๆเพราะคาพูดนั้นไม่เข้าไปแต่ถ้าเาขายสติไปไง คำพูดนั้นดีไม่ดีก็เข้าไปในใจเขาพูดดีแล้วก็โอ้ดีใจสันเสริญยิม้มหัวหนัวมุนแต่เขาพูดแล้วไม่ถูกใจเป็นไงงุดหงิดโมโหไม่พอใจคุณเพราะเราขาดสติขนาดเจริญสติมาแล้วมันก็นยังไม่พออ่ะเพราะอะไรเพราะเราคิดเยอะเกินไปน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟเราใช้คิดวันเป็นร้อยเป็นพันเรื่องแต่ว่าเจริญสติไม่กี่ครั้งอะ่ะมันจะเอาอยู่ไหมไฟบ้านทางหลังเอาน้ําไปรดกระป๋องเดียวเนี่ยดำไหม ไม่ดับน้ำแป๊บเดียวหายหมดเลยอันนี้เหมือนกันความคิดเผาทั้งโลกกวหลงเผาทั้งใจแล้วสติที่จะตามรู้ไม่มีหรือมีนิดเดียวไม่พอนี่เลยสาเหตุว่าเราจึงมาเจริญสติเพื่อให้มันได้เยอะๆถ้าสมมุติว่าไฟไหม้บ้านเอารถมาทั้งน้ํามาทั้งรถ ด, ดับเพลิงเลยใช่ไหมมีโอกาสดับไหมมีโอกาสดับเพราะน้ํามันเยอะอ่าแต่ทีนี้เอาน้ํามาเปิดน้ํากับป๋องหนึ่งโอ้ลถไว้เหรอไม่ ไฟไหม้ทั้งหลังก็น้ําหมดบ้านก็ไม่ดับเพราะมันไม่พอกันฉันใดก็ดีจิตของเราที่มันถูกความคิดเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรู้ทันและไม่มีอะไรจะรู้ทันความคิดได้นอกจากสตินอกจากสตินะเหมือนกับคนที่จะไปยิงนกยิงหนูไม่มีอะไรจับมันทันได้นอกจากเขาพัฒนาลูกศรมาเป็นลูกอะไรทวนเนี่ยไอ้หนู เป็นลูกปืนเขาพัฒนาแล้วไม่ใช่เอเขาพัฒนาจากแอรโรมาเป็นบุญอะไระนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาสติที่สัญชาติจิตมีสองอย่างหนึ่งสติตามสัญชาตญาณสองสติที่เป็นปัญญาญาสติสัญชาตญาณเช่หนหลวงพ่อรู้สึกนั่งตรงนี้เพรากัลูกเลย นี่เรกว่าสติสัญชตาตญาณเมื่อรู้สึกไม่สบายแล้วก็ขยับแล้วก็ลุกเลยใช่ไหมแต่ถ้าสติปัญญายาเป็นไงหลวงพ่อนั่งนานรู้สึกหนักรู้สึกไม่สบายแต่พวหรือ ก, ก้นใช่ไหมหลวงพ่อก็รู้ก่อนอ๋อนี้ความหนักนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์สอบสวนก่อนว่าความหนักเป็นทุกข์ทุกข์ทางกายทํางไงต้องบําบัดขยับดูเห็นความทุกข์หายไปได้เห็นความสบายเกิดขึ้นเออถ้าลุกขึ้นนี่ก็หายไปเยอะหายไปเกือบหมดเลย เอ้ยสบายเห็นความสบายเกิดขึ้นเห็นความไม่สบายหายการที่เราลุกแล้วเห็นความสบายไม่สบายหายไปชัดเจนตรงนั้นเรียกสติที่เป็นปัญญาญาณดีกว่าไหมลุกนั่งเหมือนกันแต่เกิดคุณภาพคนละเรื่องอย่างสมมติเราโยมนั่งคาตาบาดนานๆปวดขาใช่ไหมแล้วก็พิกแปลิพบๆเลยปวดขาหายไหมหายจะได้ปัญญาไหมไม่ได้ต่ได้อะไรแทนได้กิเลสแทน เพราะไม่รู้ตัวพิกแบบไม่รู้ตัวทีนี้ส่วนใหญ่ที่เราชีวิตวันเราเราเคลื่อนไหวแบบรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวอต้องถามก่อนว่าเราเคลื่อนไหวเพื่ออะไรตาของเราเนี่ยเดี๋ยวหลับเดี๋ยวมืนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวหลับใช่เพราะอะไรลืมตลอดได้ไหมเพราะอะไรอ้าโยมตอบหน่อยหลับตาลืมตา ม, มาตลอดในชีวิตเนี่ยตรงนี้โยม หลับตาลืมตามาตลอดชีวิตเนี่ยพอจะตอบได้ไหมหลับลืมหับตาลุมตาเพ้ออะไรฮะโอสติเหรอสถิแบบไหนสัญชตาตญาณหรือปัญญาญาณสัญชตาตญาณอ่าสัญชตาตญาณลืมหลับโดยสัญชตาตญาณปัญญาเกิดไหมหลับตาลืมตามาตลอดชีวิตปัญญาเกิดไหมไม่เกิดเพราะโดยสัญชตาตญาณปัญญามัน เกิดแต่ความสบายตาเกิดไหมแล้วหลับตาลืมตาเพราะเราทุกข์ลืมตานานก็ทุกข์ใช่ไหมหลับตานานก็ทุกข์เพราะความทุกข์ทั้งนั้นหายใจเข้าไม่ขึ้นออกทุกข์ไหมหายใจออกไม่ขึ้นเข้าไปอีกทุกข์ไหมแล้วหายใจเข้าอยกเพราะความทุกข์นั่นเองเราอยู่ด้วยทุกข์ไงนั่งนานๆหนักขาทุกข์ไหมทุกข์แต่ทีนี้เมื่อเรารู้ว่าร่างกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวเพราะความทุกข์เราจะเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ได้ไหม ความทุกข์คือพลังงานไฟเนี่ยในบ้านของเราเนี่ยเราจะหุงข้าวต้มแกงต้องมีไฟใช่ตอนกลางคืนมืดต้องมีไฟถ้าในบ้านนี้ไม่มีน้ำไม่มีไฟนะั่นอยู่ได้ไหมไม่ได้พอสร้างบ้านเสร็จอันดับแรกเข้ามาก็คือต้องเอาน้ำมาไฟเราไม่กลัวไฟเหรอไม่กลัวไฟดู่ไม่กลัวไฟไหม้บ้านเหรอที่เอาเข้ามาเนี่ยไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเราทำให้มันถูกต้อง ความทุกข์ในกายของเราเราทําให้มันถูกต้องความทุกข์กายเป็นแสงสว่างกลายเป็นพลังงานหุงข้าวตุมแกงแต่ถ้าเราทําระบบไฟในบ้านได้เดินระบบไฟไม่ถูกต้องเปไงไฟช็อตไม่บ้านดุเราตายใช่ไหมแกและเบิร์ตไนไงตายทั้งบ้านเลยนี่เพราะเราไมเา่เพราะเราไม่มีไม่มีวิธีการอาันนี้ไปให้อาจารย์ยุต เราไม่มีวิธีการที่จะเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นพลังงานไม่มีวิธีการที่จะเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นอะไรแสงสว่างเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติวิปัสสนาเพื่ออะไรเพื่อมาเปลี่ยนพลังงานของความทุกข์ที่เป็นพลังงานเหมือนไฟในบ้านให้เป็นพลังงานของแสงสว่างแม้แต่คอมพิวเตอร์ใช่แม้แต่โทรศัพท์ แบดหมดถ้าไม่มีไฟเป็นไงไม่ได้ใช้เห็นไหมไฟก็จําเป็นต้องใช้แต่เราจะต้องทําให้ถูกระบบของมันทุกจําเป็นต้องมีแต่ทุกนั้นจะต้องจัดระบบให้มันถูกต้องเมื่อจัดระบบทุกให้ถูกต้องความทุกข์กลายเป็นอะไรกลายเป็นพลังงานให้เราได้ทํางานกลายเป็นแสงสว่างให้เราได้เกิดปัญญาแต่การที่จะเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นปัญญาได้ทําไง เพราะความทุกข์เนี่ยสามารถเป็นสัญชาตญาณโดยที่เราเปลี่ยนไม่รู้ตัวที่อยากแบบมื่อกี้นะการเป็นสัญชาตญาณแต่ถ้าหากเราเปลี่ยนโดยความรู้ไม่รู้ตัวก่อนที่เราจะลุกเนี่ยก่อนที่จะยุกขยับหนึ่งแล้วก็เห็นทุกข์หายไปทีล็นิดใช่ไหมเห็นความไม่ทุกข์ปรากฏไหมเอาทุกคนต้องปรับดูปรับลุกขึ้นอ่ะนั่งชันเข่าอย่างงี้นั่งชันเข่าแบบอ้าวนั่งชันเข่าแบบนี้ทุกคนนั่งชันเข่าแบบ อ่าความหนักความหนักหายไปหรือยังเห็นไหมแล้วความหนักเมื่อกี้หายไปหรือยังนังนง่งนั่งชันขับไป่ดูทีนี้ความหนักจากที่มันหายไปเมื่อกี้ตอนนี้มันมาเกิดใหม่ที่ไหนความหนักมาเกิดใหม่ที่ไหนเห็นไหมเกิดที่ไหนเกิดที่เขาเกิดที่ขาใช่ไหมอ่าเอาทีนี้นั่งทับส้นลงไปอ่าความหนักที่เขาที่ขายังอยู่ไหมหายไปแล้วใช่ไหม มันมาอยู่ที่ไหนต่ อ, อที่ก้นที่แข้งที่ขาการเห็นความหนักความเบามันย้ายไปย้ายไปย้ายไปชัดเจนตรงนี้เขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะเปลี่ยนละเปลี่ยนจากพลังงานทุกให้เป็นพลังงานของอะไรปัญญาโดยผ่านสติสัมปชัญญะตลอดชีวติตนานเราเคยทำแบบนี้บ้างไหมไม่เคยเพออราะะเพราะเราไม่รู้ไม่มีใครมาบอกไง มีแต่เอานั่งหลับตาขาขวาเทับขวาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงดารงสติมัน่นหลับตาลงแล้วก็ดึงลมหายใจเข้าก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมถ้าปัญญามันเกิดตรงไหนอท่านบอกเราไหมไม่บอกทําตามนั้นก็นแล้วกันเดี๋ยวมันเกิดเองแล้วเวลามีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเรายังโกรธยังเกลียดยังเคียดยังคุณอยู่ยปัญญามันเกิดตรงไหนไม่เกิดเพราะเรายังขณะนั่งกรรมฐานมาก็ยังเขาเรียกกรรมฐานที่โกรธใช่ไหม สันโดษที่ข อ, อพระนี่บอกว่าสันโดษแต่ว่าพระนี่ขอเก่งจังนะนะเดี๋ยวเรืร่องไรอันนู้นเดี๋ยวแลว้อันนี้ว่าพระไหนก็เลยนะกรรมฐานที่โกรธนั่งภาวนาแต่ว่าหูโกรธง่ายเหลือเกินเนอะหงุดหงิดง่ายเหลือเกินพวกนั่งภาวนาเนี่ยอะไรมาก็ะทก ป, ปั๊บหงุดหงิดแล้วเนี่ยเรียกกรรมฐานขี้โกรธเพรไม่เกิดปัญญาเอาแต่ความสงบนี่เขาเรียกว่ากรรมฐาน อ, อขี้โกรธนะแล้วตอนนี้นั่งท่า น, นี้เริ่มหนักเรื่อง นั่งขัดสมาธิเดียวนั่งขัดสมาธนั่งขัดสมาธิเห็นไหมดูดูความหนักหายไปไงดูให้ดีหายไปไหมอ่าความหนักจากที่หายไปใช่ไหมความเบาเกิดขึ้นไหมความเบารู้สึกสบายหรือไม่สบายสบายกว่าความหนักสบายหรือไม่สบายไม่สบายเราจะเห็นความหนักความเบาเห็นความสบายไม่สบายเกิดตลอดเวลาตัวนั้นคือตัวสติสัมปชัญญะเพื่อที่ให้เกิดปัญญา พิสูจน์ได้ไหมอันนี้พิสูจน์ได้ไหมว่าเกิดยังไงพิสูจน์ได้ใช่ไหมนี่คือธรรมะของพุทธเจ้สามารถพิสูจน์ได้ให้เห็นจริงได้เป็นสันทิฏฐิโกแล้วพิสูจน์ได้แล้วตลอดเวลาไหมพิสูจน์เมื่อไหร่เห็นเมื่อนั้นเลยใช่ไหมนั่นเป็นอากาลิโกอ่้เอหิปัสสิโก้พิสูจน์ได้ชี้ให้คนอื่นเห็นได้ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเอหิป โ, โอปะนยัยโกแล้วโน้มสติ ป, ปัญญาเข้ามาสู่เธอเองได้ไหม ได้ปัจจตังเวที่แตู่ไิยูคนทําเท่านั้นรู้คนไม่ทําไม่รู้ปัจจตังเวที่แต่พูไปอยู่นี่คือพิสูจน์มีข้อพิสูจน์อยู่หกข้อในบนทพระธรรมที่เราสวดแต่เราสวดทุวนันทุวันอ่ะแต่เข้าใจมั้งไหมเอาละว่าพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำสวัสดิโต๋หนึ่งสองซ้ำสัน นี่สวดได้หมดเลยตลอดชีวิตแล้วเคยเข้าใจว่าหมายความว่าไงเคยเข้าใจไหมไม่ไม่เข้าใจใช้ไม่ได้เพราะไม่เข้าใจใช่ไหมแล้วได้บุญไหมเหนื่อยเปล่าสวดแล้วก็เหนื่อยเปล่าได้บุญมันกันได้นิดเดียวคือได้สวดนั่นแหละแต่ไมาใช้ไม่เป็นสมมุติเรามีคนให้ของโยมมาแล้โยมมาใช้ไม่เป็นของนั้นเป็นประโยชน์ไหมเมื่อเมื่อเดินต้นเดือ น, นมาไปที่ ถ้าราชคฤห์ที่อําเภองาที่ครูบาบุญชุ่มอยู่เมื่อก่อนน่ะนะผมพอไปเก็บวิเวกปีกวีเนี่ยเดนกลับมาจากอเมริกาขอปีกวีกสักอาทิตย์หนึ่งปรากฏไปเจอครูบาบุญชุม่มพอดีทั้งๆ ท, ที่ท่านไม่ได้อยู่เนี่ยวันนั้นท่านมาดักปีที่นั่นท่านก็บอกว่าจะมาขอเก็บปฏิบัตินี้สักอาทิตย์โอ้ไม่ต้องขอแล้วผมยกถวายเลยว่างั้นท่านก็เลยมอบถวายเท่านั้นให้แต่อมา เออท่านบอกเออเจ้าของธรรมตัวจริงมาแล้วท่านบอกท่านรักษาวันีหลายปีแล้วหลังจากที่ท่านออกไปอยู่ต่างประเทศนะไปปูฐานไปจีนไปเวียดนามไปท่านเมื่อกี้อยู่ไทยตอนนี้ไปอยู่พ้ามาแต่ทาดีเหลือเกินหลวงพ่อเลยรับไว้ที่ยกเรื่องนี้มาพูดเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันมีผลมันมีผลทําให้เราได้เห็น สภาวะจิตของเราแล้วก็สามารถพิสูจน์ในสิ่งนั้นได้ท่านก็เห็นเราเราก็เห็นท่านในที่สุดก็เลยเอามาเอาภาพไปประจําอยู่ที่นั่นนะแล้วก็ประมาณสักปลายเดืนอนหลงพอจะเข้าไปอีกดังนั้นในจุดนี้โยมถ้าทําแล้วเนี่ยต้องพิสูจน์ได้ถ้าทําแล้วพิสูจน์ไม่ได้อย่าเสียเวลาทํามันเหนื่อยเปล่านะต้องพิสูจน์ได้ใช้ได้แล้ ว, วของที่เราให้ เรามาเราต้องใช้เป็นเขาให้เครื่องคอมที่ดีที่สุดถ้าใช้ไม่เป็นมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์แล้ววันนั้นครูบาบุญชุม่มถวายตังอตมามามีสองอย่างหนึ่งเงินไทยอีกจํานวนหนึ่งเป็นเงินลาวแต่เงินไทยนี่หลวงพ่อเอาไปจ้างคนทําสวนที่นั่นสวนปลูกสวนผักท่านบอกว่าเออต้องฉันบางสายเวลาหลวงพ่อก็เลยไปจ้างคนที่นั่นทําสวนผัก แต่อีกส่วนนึ่งเป็นเงินลาวเป็นแบงก์ใบพันธ์ทั้งนั้นเลยเอาไปให้ใครใครก็ไม่เอาเพราะอะไรมาให้โยมโยมเอาไหมเพราะอะไรมันใช้ไม่ได้เห็นไหมแต่ถ้ า, าไปให้คนณลาวคนณลาวเอาไหมเอารวยน้อยน้อยเลยแหละแบงก์ใบพันธุเป็นหรืเป็นกระมือเอามาก็ไม่แจกคนคนั้นคนก็ไม่มีใครเอาเลยเพราะมันใช้ไม่ได้ถึงจะมีค่าขนาดไี้ก็ใช้ไม่ได้เราสวดมาตลอดชีวิตเราใช้ได้ไหม ไม่ได้เอาไปสวดให้ใครใครเขาก็าไม่เอาเพราะมันเราใช้ไม่ได้ของมีค่าเกาจริงแต่ใช้ไม่ได้เราสวดเราพฤฤิธีรีต อ, องเราทํามาตลอดชีวิตเราเอาไปใช้ไม่ได้มีค่าไหมได้บุญไหมเงินเป็นก่อเป็นกรรมแต่ว่ามันไม่ใช่เงินเราเราใช้ไม่ได้มีค่าไหมไม่มีค่าเอาเงินให้เราเงินไทยให้เราห้าบาทยังมีค่ากว่าใช่ไหมได้เงินเราที่เอามาใช้ไม่ได้จั้งเป็นหมื่นน่ะ ใช้ไม่ได้สักบาทเหมือนกันเราทําดีมาตลอดชีวิตแต่ทําสิ่งที่ดีไม่ได้เนี่ยมีประโยชน์ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ว่าดีเราต้องใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้ถือว่าจะดีขนาดไหนก็ดีสําหรับคนที่คนอื่นที่เขาใช้ได้แต่สําหรับเราเราใช้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ดังนั้นเองเรามาปฏิบัติที่นี่เราจะทําสิ่งที่เราใช้ได้ทําสิ่งที่เราใช้ได้เรานั่งอยู่นี้ ถ้าใครสังเกตตัวเองเออนั่งมันปวดปวดข้อยับนิดนึดน่งเราเคยเห็นปวดหายไปความสบายเกิดขึ้นอันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะทําให้เกิดอะไรหนึ่งเกิดความสบายสองทำให้เกิดอะไ ร, ส, ส, ะไรสติสมัมปชัญญะและปัญญาใช่ไหมตลอดเวลาเพราะฉะในช่วงห้าหกวันเจ็ดวันอยู่ที่อยู่ที่นี่ผมก็จะทําเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ว่าตอนกลางวัน หลังจากทานอาหารแล้วนี่เป็นไงอากาศเป็นไงร้อนนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้นั่งตรงนี้ตอกลางวันเราจะไปนั่งในห้องแอร์จะไปถึงสี่โมงห้าโมงอากาเริ่มเย็นแล้วเราก็ออกมาปฏิบัติข้างนอกพอหกโมงทุ่มสองทุ่มถ้ายังสว่างเปิดไฟนะเราก็ออกมาทําวัดตรงนี้ช่วงเช้าตื่นมาทีสามทีสี่ใครตื่นมาก่อนก็มานั่งปฏิบัติเดินตรงกรมตรงนี้ได้เลยนะดังนั้นเองก็ช่วงเช้าท่านเรามีแขกมาอีกสองท่านคือแม่ชี ดาดรัสก็ยมครูชัดมาจากกรุงเทพนะก็ขออนุโมทนาสาธุที่เดินทางมาไกลกับพวกเราแล้วก็จะมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเพราะท่านทั้งสองนั้นเคยปฏิบัติมาพอสมควรแล้วก็จะมาพัฒนาอีกระดับหนึ่งแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราจะศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช้ได้และทําให้เราพ้นจากความ โลกกดลงอาจจะนำไปสู่นรกเปรดอสุรกายให้ไปสู่ความเป็นอินพุมที่เป็นสมาทิทีิให้ไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าพ้นทุกในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ